ครั้นมหรสพเลิกแล้วเขาได้ถอดเอาปลอกฟูกไปภิสษุทั้งหลายเห็นขนสัตว์ท่อนผ้าเปลือกไม้หญ้าและใบไม้เป็นจำนวนมากที่เขาทิ้งไว้ในที่เล่นมหรสพภิสษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ส่งทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย